แนวคิทธ่รมทุกท่านนะเราเรก็ได้มาปฏิบัติกันที่ครุษธิสถานนะมาที่นี่ทีไรก็เหมือนอุ่นใจนะนะนะเพราะว่าอย่างที่นี่เห็นทางโรงเรียนลุงอรุณอสมศิลป์นะก็ตั้งใจถวายบอกว่าเออเป็น อาจจะระยะบูชาหลวงพ่อคำเคียงสุบรรณนะพูดง่ายๆก็คือสร้างถวายบูชาคุณหลวงพ่อกำเคียงสุบรรณนีใครรู้จักหลงพ่อกำเคียงบ้านเยอะไหมถ้ามีใครไม่รู้จักบ้านเยื่มตรงนี้ดูนอมีบ้านทล็น้อยนะ เพราะการเขียนท่านเป็นเป็นอดีตนะเป็นอดีตประธานสมวัตปรสุกตโตแลว้วก็เป็นเจ้าวาดวัดภูกระทองนะทางพุทตศนา ก, ก็ถือว่าเป็นรูปสิษของท่านนะและว้วระทานโรงเรียนลุงกระโก็มีหลายคนที่ไปที่วัดป่าศกตโตนะในไปบวชบ้างปฏิบัติธรรมบ้างไปธรรมญาติตาบ้างก็ถือว่านะมีความใกล้ชิดกันนะ หลวงพ่อนะท่านเขียนไว้ที่ตรงด้านหน้านที่จิงไม่ใช่หลวงพ่อเขียนนะหลวงพ่อเขียนที่กระดาษนมีการเอาข้อความจากกระดาษนะตอนที่หลวงพ่อเขียนตอนที่ท่านป่วยนะก่อนที่จะเสด็จพิริเขียนว่าธาตุขันธ์คงอยู่ได้ไม่นา น, นะแต่ความเป็นกัญญาทิ้งนี้นะจะคงอยู่ตลอดไป ดังนั้นท่านรู้ตัวแล้วว่าร่างกายขท่านจะมีชีวิตอยู่ไม่นานนะมีคนมาเยี่ยมนะท่านก็พูดไม่ได้ก็ต้องจับค อ, อ ก, ก็เขียนสื่อสครับก็มีตอนเนิงที่ท่านเขียนแม่เขียนว่าท่านคันคงอยู่ได้ไม่นานนะคือร่างกายนั่นแหละคงอยู่อีกไม่นานหรอกแต่ความเป็นไกรในยมิจูเนี่ยจะอยู่ตลอดไป ความเป็นการมิตรคืออะไรคือความันอธิบายยากมากแต่จะพูดง่ายๆก็คือความความที่เป็นมิตรแท้มิตรที่ดีนะมิตรที่จะ เ, เรียกว่าไม่คิ้งกันไม่ทอดทิ้งกันก น, นะมิตรคือเพื่อนกระไรตัวนีง่ายนะแต่ถ้าเหมือน พ, บพับท่านเจ้าท่านก็บางที่านก็เรีย ก, กเองว่า เราก็เป็นการันตินะกับพวกเธอทั้งหลายพาทีเราก็พูดว่าพระเจ้าเป็นอาจารย์เป็นครนะูแต่พระเจ้าบางตอ น, น้นก็บอกว่านะถ้าใครอาศัยเราเป็นกัยารเนะีติพวกนั้นก็จะพ้นจากความทุกขนะ์ทุกข์เพรความแก่ความเจ็บความตายพวกนี้พ้นจากความทุกข์พวกน้นได้นั้นความที่มีการันติเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะ นักปฏิบัติธรรมก็ดีนะหรือว่าแม้แต่เราใช้ชีวิตทางโลกก็ดีกางที่เรามีมีกรรมัรยันวิที่ดีนะมันจะช่วยช่วยดึงเรานะให้เราไปในทางที่ดีหรือบางครั้งเราล้มเราหลงทางนะก็จะมีการยันวิธีคอยคอยช่วยพวกเราขึ้นมาให้ถูกทางอาจจะมาเองก็ ก็อยอมรับหนังสือว่าหลวงพ่อคขอเขียนหรือเขีนการนมิตที่ดีมากๆของกันมานะเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งพ่อแม่เป็นทั้งการนมิตในทางธรรมะเพราะว่าถ้าไม่ได้มาอยู่ที่วัดปากสุกโตได้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จ ะ, จะไปทางไหนเหมือนกั น, นไม่ใช่ว่า ไม่มีความรู้ที่จะเป็นประกอบอาชีพหรือแต่ความรู้ที่ประกอบอาชีพมาว่าพวกเราก็คงได้ดีจ น, นมาในโรงเรียนในมหาลัยก็พอพอใช้ได้เยอะแต่หรือว่าแ ต, แ ต, แต่สิ่งที่จะทําให้จิตใจมันมีความทุกข์น้อยลงจิตใจมีความสุขมากขึ้นนะหรือธรรมะที่แท้จริงมันคืออะไรเนี่ยมันยากมากที่จะหา เจอจากที่อื่นๆไม่ใช่ว่าหนังสือธรรม ะ, ะขาดแคลนนะเสียงเทศต่งางๆขาดแคลนก็ไม่ใช่ปรนะมาะแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมบางทีพอเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะเนี่ยตัวเองพอเราเริ่มสนใจปฏิบัติธรรมนั้นมาก็เริ่มสนใจตั้งแต่ประมาณมัธยมนะมหาอะไรก็ปฏิบัติอยู่บ้านนะอ่านหนังสือมาพอสมควร แต่แลวลาเราปฏิบัติธรรมหรือเราอ่านหนังสือธรรมะเราก็คิดว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อให้จิตใจมันสงบใช่ไหมให้จิตใจมันหายจากความทุกข์ซาบให้มันสงบคือพอคิดถึงปฏิบัติธรรมเราคิดถึงการทําสมาธิแล้วก็เป็นการทําสมาธิให้จิตใจได้สงบอืคิดว่าถ้ามันสงบแล้วมันจะมันจะเดิด มันจะเกิดคนดีตามมาพอมันเรียอย่างตอนเป็นเด็กก็คิดว่าคือถ้าสงบแล้วจะเรียนเก่ง น, นะมีสมาธิดีก็จะเรียนเก่งนะก็มีผัวอาจารย์บางคนมาก็เอาข้อมูลบางอย่างเนาะอย่างเช่นอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ถูกนะอย่างสมัยก่อนตอนถ้ารุ่นนันตมาหรือรุน่นหนังก็เคยได้ยนะะินแบบคนก็จะยกอย่างตัว อ, อย่างเช่นอาจารย์ถ่ายองค์เนะ ถึงสายนักวิทยาแต่ก่อนทํา ง, งานที่นาซานะ่นั่งสมาธิแล้วก็คิดถึงอะไรคิดถึงอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับจรวดเนี่ยพึ่งอวอ ก, กาศได้แต่ไม่ได้งา น, นก็ผููประมาณว่าเห็นไหมผลเขานั่งสมาธิเ น, นี่ยนั่งสมาธิแล้วก็ปัญญาจะฉลาดคิดอะไรที่มันเก่งเกินความสามารถของมนุษย์ทั่วไปได้แล้วก็เหินเออ ตอนเด็กๆเราก็คิดอย่างนั้นนะเออถ้าทำสมาธิดีๆจะได้ฉลาดจะได้คิดเกินนะนะหรือพอคิดถึงปฏิบัติธรรมล้วก็คิดว่าเออจะทำยังไงให้จิตใจสงบนะจิตใจสงบแต่สิ่งที่พอมาอยู่ที่สุกโตนะหลวงพ่อคุเขียนท่านไม่ค่อยพูดถึงความสงบนะแต่ท่านพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัว พูดถึงเรื่องการมีสตินะพูดถึงการทำสมาธิพูดถึงเรื่องการทำมาศสวบนี้แทบไม่พูดเลยนะเราก็สงสัยเราก็ก็สับสนอยู่ในตอนแรกทำไมแต่ก่อนเราที่ถึงการปฏิบัติธรรมคือนั่งที่มันสงบนะแต่หลวงพ่อต่องบอกให้รู้สึกตัวให้มีสตินะที่จริงคำว่า ส, สตินะ กับรู้สึกตัวที่ทิงมันเหมือนเป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะเป็นเพื่อนกันเพราะถ้าจากภาษาบาลีนะใช้เขาใช้คําว่าสติและสัมปชัญญะนะสติแปลว่าการระลึกได้นะระลึกได้นะถ้าทําโลกเนาะเราพูดว่าเรามีสติหรือปล่าเนี่ยเราก็อาจจะคิดถึงว่าถ้าเราไม่ป้าถ้าเราไม่เมาเนะี่ยเราก็เรียกว่าเรามีสติใช่ไหมอืมเออไม่ลืมของนั่นนี่นะ อันนั้นเป็นทางโลกนะคือเราอาจจะไม่ได้จุดโลกไปแต่ในทางทำการระลึกได้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ น, นะนะการระลึกได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจําชื่อโยมได้หรือเปล่าจำชื่อคนนั้นคนนี้ได้หรือเปล่านะีหรือจำสัตภาษาต่างประเทศได้ได้เยอะเยอะอะไรนะไม่มันไม่ใช่ระลึกแบบนั้นไม่ใช่เป็นความจําแบบนั้นแต่การระลึกได้เนี่ยคือการระลึกเห็นกายเห็นใจนะ การะลึกว่าปัจจุบันเนี้สิ่งใดเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่คือความระลึกได้ตรงนี้ซึ่นในชีวิตเราทําไมเราไม่เราไม่เคยเห็ความสาคัญตรงนี้เลยนะใช่ไหมเหมือนเราเรียนหนังสือเราเราเรียนเพื่อเราอยากเก่งเ <c oughs> ก่งเก่งเพื่ออะไรเก่งจะได้อาจจะได้สมัครงานที่ดีนะจะได้มีเงินเดือน เ, น เ, นเยอะแล้วคิดว่าถ้าต่อไปมันจะได้ทําให้เรามีความสุขมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่เราว่า ถ้ามีอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้มีอันนี้มี น, นี้สุดท้ายก็คืออยากจะมีความสุขรู้สึกแบบนั้นไหมแต่ธรรมะเนี่ยมันมันย้อนให้เรากลับมาเห็นว่าพอกลับมาเห็นตัวเองนะระลึกได้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะกายทําอะไรก็มีสติรู้ตัวนะระลึกคือระลึกได้ว่กกากำลังทําอะไรอยู่ จิตใจเป็นแบบไหนก็มีความรู้ตัวอยู่เห็นอยู่ตรงนีน้นี่คือสติระสำปราญ ญ, ญาสติระลึกได้สำปรายญาตคือความรู้สึกตัวจะพูดคาไหนก็ได้ที่จริงมันมาคู่กัน <c oughs> มันกับหน้ามือกับดามือนะมันไปด้วยกันนะมันจะแยกเอาหน้ามือไปอย่างเดียวไม่เอาหลังมือไปไม่ได้นะสติระสำปรายญาติมันเหมือนหน้ามือกับดามือไปด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันนะ เราไม่เคยดูว่าปฏิบัติธรรมสิ่งที่หลวงพ่อเขเขียนท่านเน้นคือเน้นเน้นการสร้างความรู้สึกตัวนะหรือให้เรามีสตินี่ไหละนะคือที่เรามาฝึกการยกมือเคลื่อนไหวแรกๆอย่างสมาธิเก็ไม่ค่อยชอบนะมันรู้สึกมันไม่เท่ <c oughs> นั่งยกมือนะสูนั่งนั่งสมาธิหลับตานะนิ่งๆนะมันรู้สึกมั มันเท่มันดูมันเหมือนขังดีนะแต่มานั่งยกมือสร้างจังหวะมันรู้สึกมันไม่สงบก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรแต่เอาก็จริงแล้วถ้าเราศึกษาเราลองเปิดใจปฏิบัติแล้วกอมันทำให้เราเกิดความรู้สึกนะเมื่อเคลื่อนไหว้วรู้สึกรู้สึกแล้วทำอะไรก็ทำให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะ จิตใจมีอยู่บเนื้อกับตัวแล้วทําไงก็ทําให้เราไม่หลงดึงตัวแต่ก่อนเราหลงไปกับความคิดนปรุงแต่งนั่นนี่หลงไปอยู่กับอารมณ์พอเรารู้สตัวเราก็ไม่ไปกับอารมณ์ไม่ไปหลงความคิดก็เห็นนเห็นร่างกายเขาเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเขาเคลื่อนไหวแรกๆก็เห็นที่ร่างกายก่อนตื่นเตินจมกองก็เหือนกันก็คือดูร่างกายก็เดิอน ใหม่ๆก็ทําผิดคือการไปจ้องือที่เท้านะไปกําหนดมากเกินไปนะอืหรือว่าอยากจะรู้ตลอดไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันหลงนะใหม่ๆก็จะทําผิดบ้างแล้วก็แต่พอเราค่อยๆฝึกไปอ๋อให้รู้ว่าไอ้ไอ้มันผิดคือแบบนี้นผิดคือเราไปจ้องเราไปบังคับเราไปกดไว้มากเกินไป บางทีก็ิดแบบนี้บางทีถ้าเรื่องไหนมันคิดดีนะไรมาในแต่ก่อนเคนเจ้าโปรเจกต์มากนะคิดดีอะไรถ้าคนคิดดีจะคิดยาวมากแต่ถ้าคิดไม่ค่อยดีเนะี่ยเ็นอย่างัรก็จะที่กลับมา <c oughs> ใช่ไหมเป็นไหมเวลามันคิดแบบไม่ค่อยดีนะคิดถ้ามันเป็นคุคิดถ้ามันไม่สนุก ม, มันจะเออ ม, มันจะกลับมาได้ได้เร็วกว่า แต่ถ้าเรื่องไหนเป็นปวดเจ็บดีๆนะติดตองธรรมะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะ่ะไม่ได้คิดยาวอางทีเลยจงกลมเป็นชั่วโมงนะสองชั่วโมงนะคิดไม่กี่เรื่องอนะคิดแค่เรื่องสองเรื่อง <c ười> แต่คิดหานนะเรื่องหนึ่งคิดนานว่าเราก็คิดว่ามันดีนะเว like. ลาแวฟังธรรมเราก็ฟังถึงาาที่ครูบาอาจารย์เทศอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็อ่านไป พอมาได้จนโกงก็เก็บมาคิดนะมาเรียบเรียงเป็นคำเทศบ้างเป็นนั่นนี่บ้างซึ่งคิดว่ามันดีแต่แน่แต่เขาจริงคือหลงแบบหนึ่งเหมือนกันนะหลงไปอยู่ในความคิดที่ดีนะฮะการมีสตินะ่ะมันคือเราจะฝึกให้รู้ว่าความหลงเนะี่ยมันมีถ้าเรียกรวมๆมมีแค่สองทางทางหนึ่งคือไป ไปเพ่งไปจอป้องไปบังคับบางทีเราคิดถึงปฏิบัติธรรมอ่ะเราจะเคยไหมแบบสูดลมหายใจลึกๆทางจิตนิ่งๆนงนะคล้ายๆเคยความรู้สึกค้เหมือนดำน้ําอ่ะหายใจเข้าลึกๆนะ่ะกั้นลมหายใจไว้แล้วก็ดำน้ำํา <c oughs> ไม่ให้ลมหายใจมออกนะมันบังคับได้เองว่ะ แต่ท oui ี่จร sí, yes, ิงอาจจะไม่ถ like like ึงขนาดนัครับแต่ไม่เหมือนเราพอคิดถึงปฏิบัติธรรมเราจะสร้างภาพนิ่งๆขึ้นในใจนะให้ใจมันนิ่งๆให้ใจมันเฉยๆให้ใจมันแบบซึ้มเหมือนคล้ายซึมๆสักหน่อยบางทีเราก็ไปทําตาให้มันเบลอๆได้วยเคยไหมทำตาเบลอๆทําหน้าหอยหอย ทำกายเสือ่อมๆ่ะซึมๆนะเราคิดพอเราคิดถือว่าปฏิบัติธรรมคือมันต้องใช้ทําอะไรที่มันให้มันดูเหมือนงสงบเสงี่ยมเกินมากกว่าปกติจะไปคิดถึงแบบนั้นนยะทั้งข้างนอกคือร่างกายแล้วก็ทั้งใจที่มันต้องนิ่งต้องสํารวมแต่ข้อจริงนะถ้าเราจ ะ, จะเจริญสตินะ่ะจะฝึกเพื่อให้มันเกิด วิป um ัสนาเกิดปัญญาขึ้นนะอย่าทำแบบนั้นทำแบบนั้นอ่ะทำแบบเหมือนไม่ไม่ต่างจากการกินยานอนหลับกินยาแก้แพให้มันมึนๆง่วงๆไปนะถ้าไปทำแบบนั้นไม่ค่อยต่างกันมันก็ทำให้มึนๆเบอะๆซึมๆไปนะแต่ถ้าเราจะฝึกเจริญสตินะ ให้ไม่ต้องทำอะไรนะมันมันยากเลยนะบางทีคนไทยหรือคนที่ปฏิบัติทำมาหลายวิธีเนะี่ยมันทำยากจนไม่ทำอะไรนะแต่ถ้าเป็นคนต่างชาตินะหรือเด็กเด็ ก, ดกหรือคนที่มาปฏิบัตินี่มันไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยมันง่ายกว่าบางทีนะเตี่ยจะมาส่วนใหญ่สอนคนจีนก็เยอะๆจะสังเกตบาง มันก็มีบางคนแหละนะแต่บางคนใหม่ๆนะ่ะซื่อมากเนะี่ยมันไม่มีฟอมไม่มีฟอมมากน ะ, ะคือไม่เข้าใจก็แสดงท่าทีไม่เข้าใจแต่คนไทยบางทีนะถามยอมเข้าใจหรือเปล่านะทำนิ่ ง, น, งนะ อ, ะอะมาถามทีหลังก็มีคือไปพูดคุยกับคนอื่นนะแล้วเราก็รู้ว่าการที่พูดคุยก็แสดงถึงความไม่เข้าใจ ในสิ่ที่เราสอนนั่นแหละก็มีอืมบางทีมันมันมีอะไรที่มันเครือบแฝงเนีนะแต่การปฏิบัติจริงๆคือการไม่ต้องทําอะไรเนะี่ยมันยากที่จะทงนด้นนะสำหรับคนที่ทําอะไรมาเยอะหรือคนที่คิดว่าปฏิบัติมันต้องทําแบบนั้นแบบนี้แต่การไม่ทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปล่อย ปล่อยตามอิสระไม่ใช่นะการไม่ทำอะไรคือการที่เราไม่ปิดตั้งฟอมผิดธรรมชาติไม่ไป บ, บังคับกดข่มสิ่งที่มันมันจะเกิดขึ้นไม่ไปห้ามพูด ง, ง่ายๆเนาะอันนี้ถือด้านสุดโตด้านหนึ่งคือด้านที่เราไปบังคับเราไปกดข่มเราไปห้ามอีกด้านหนึ่งอย่างที่บอกว่าก็ไม่ใช่วปล่อย เตือนเลยนะะอยากจะพูดก็พูดอยากจะคิดก็คิดอยากจะชี้เกียรก็ชี้เกียร์เลยนะก็ไม่ใช่ปล่อยไปแบบนั้นนี่คือด้านที่มันเรียกว่าไม่ปล่อยแต่ไม่บังคับแต่การปฏิบัติธรรมคือการฝึกนะฝึกนะไม่ใช่จะเรียกว่าฝึกนะฝึกให้เรามีสติบ่อย สติจะเกิดขึ้นนะได้ดบ่อยๆเราจะฝึกอยากอะไรคนะือการราะลึกรู้สิ่งที่เรากำลังทำเนะี่ยเราใส่ร่างกายนะเป็นเครื่องระลึกรู้ให้เกิดสติเนี่ยนะเรียกว่าฝึกตรงนี้กายทำอะไรใจรับรู้นะเรานั่งเหนะนะนื่ยวแน่นะร่างกายนั่งรู้สึกตัวไหมอลองนั่ง กลับมาดูนะกลับมาดูรู้สึกตัวไหมหายใจออกรู้สึกตัวไหมหายใจเข้ารู้สึกตัวไหมเดี๋ยวลองเลยนะลองพันนมือานะพันนมือรู้สึกไหมรู้สึกนะอ่าวางมือโดนที่หัวเขารู้สึกไหมอ่าบีบเข้ารู้สึกไหมอ่ารู้สึกไหม เขายักหน้าโดนรู้สึกไหมนี่น oh. ี่ยิ้มร ja> mm? okay. ู้สึกไหมนี่ยแบบนี้แหละนะอนี่ยิ้มเออรู้สึกมันจะต่างจากเวลาเราไปคิดอะไรนะแล้วก็ยิ้มอยู่ในใจอันนั้นเราไปอยู่กับความคิดนะแต่เราไม่รู้สึกว่าเรายิ้มนะใช่ไหมอือไดอืหมนี่ก็สืกกแนบนี้บ่อยๆนะ เราจะทําอะไรก็ให้รู้ตัวนะร่างกายการเคลื่อนไหวในในท่าสิบสี่จังหวะก็ดีเดินจึงกงก็ดีนะมันเป็นเพียงแค่รูปแบบอย่างหนึง่งนะเป็นรูปแบบในการฝึกนะคล้ายๆเหมือนเราออกก่างกายโยมมันต้องมีท่านะโนะยคะก็มีท่าให้เรียนอนาสนะต่างๆแม้แต่เต้นแอโรบิกก็ยังมีท่าเลยไนะหูก็ยังสอนเป็นท่าประกอบเพลงเต้น ทา น, นั้นท่านี้นะอันนี้กรรมาฐานก็เหมือนกันมันก็เป็นรูปแบบเป็นท่าหลวงพ่อเรีนสอนการยกมือเคลื่อนไหวบางที่เขาก็สอนกานาปัญสติเป็นท่า น, นั่งดูลมหายใจเข้าออกอบางที่ก็สอนให้ดูท้องพองท้องยุดก็คือท่าเหมือนกันนะั่นแหละคือท่าพวกนี้มันคืออะไร มันเป็นผ้าที่อยู่ในกาย ใ, นใจนี้ดังนั้นใช้ได้หมดแหละนะแต่เราฝึกเคลื่อนไหวมืออะไรพวกนี้คือเพื่อให้รู้ว่ารู้สึกมือเคลื่อนไหวรู้สึกเท้าเคลื่อนไหวรู้สึกนะแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยจํำได้นะเราไม่ได้ไปจ้องอยู่ที่มือไม่จ้องอยู่ที่เท้ารู้สึกตัวแบบรวมๆนะใช้คาว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อม รู้สึกตัวแบบรวมๆดูร่างกายเขาเดินดูร่างกายเขานั่งยกมือดูร่างกายเขานั่งหายใจเข้านั่งกายนั่งหายใจออกดูนั่งกายนั่งต้นมือเนี่ยไหวเวลาเราทำวัดนนะเรารู้กายอยู่นี้ก็ได้นะไม่ใช่เรอยู่แต่กับบทสวดมนต์ตลอดบางทีเราใจก็อยู่กับการสวดมนต์บางทีใจก็เห็นร่างกายเขานั่งต้นมือบางทีก็ก็เห็นร่างกายเขาขยันปานะ อดีเราก็เห็นใจนเผยออกไปนี่คือเราเราฝึกสติอย่างคิดประจำวันนะไม่ใช่ว่าจะจะสวดมนต์เพื่อให้มันเพื่อให้มั น, มนขันอไม่ใช่สวดมนต์เพื่อให้มันไม่ผิดอยอมเชื่อไหมเราโยนฝืนนานๆไปนะคืออยู่วัดอย่างจะมาลิงนะสวดก็แทบไม่ผิดหรอกเอ็ดสวดปากออกไปไม่ผิดนะคำพูดไม่ผิดแต่บางครั้งนะถ้าเร า, าร่าดสติใจเราต้องคิดเรื่องอื่นไปด้วย พอตรวส่วนแบบถูกต้องไปด้วยได้นะเออมันเป็นแบบ น, นี้โอ้ปากมันก็เป็นอันหนึ่งนะเ่วดเอกไปถูกแต่ใจมันไปไหนดิวเลยออันเนี้ข้างนอกผูกแต่ข้างในผิดแบบนี้มีนะมีเยอะมากผลที่ส่วนมวลค่อมๆเป็นเหมือนต้องแก้ต้องฟื้นท้องไป็นแบบนี้เลยแต่เราฝึกส่วนมวแบบนี้เราก็ดูร่างกายก็ตรวจปากขยับก็รู้ปผลเป็นเสียงออกไปแล้วก็รู้สึก เราก็เห็นร่างกายอยู่ท่าไหนก็ได้เทนะ่าที่มันจนนะเดจริะพอใจมั่งเผลอไปคิดหรือทันหรือบางทีเราก็กลั ว, วมันจะผิดบางทีก็ตัง้งใจมากเกินไปนะบังคับมันากเกินไปอย่างโยมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเคยนะแต่อย่างพระบางทีพระองค์ ท, ที่นำส่วนนเะี่ยบางทีเขาสวนธรรมดา น, นีสบายสบาย พอเริ่มมานำสวดนะเนี่ยเด็กเกรงก็มีแต่บางทีส่วนเป็นมูเนะี่ยจะสบายสบายแต่พอต้องไปส่วนสองคนอย่างสืบส่วนกับลูกสวนกับเพื่อนนะสอนส่วดกับแค่สองคนตอนนำสวดเนะี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยสบายละกลั ว, วมันจะผิดเใช่อืมและตอนนี้มันก็เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ว่าโอสถานการณ์ต่งตางๆเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไป มันส่งผลกระทบต่อใจอย่างไรคือเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแต่กายที่เคลื่อนไหวนะอ่ะแต่ขณะที่เคลื่อนไหวเนะี่ยเราก็จะเห็นจิตใจจิตใจด้วยชเชนะ่นเดินนะสมมติเราเดินไปถ้าจิตใจมันตั้งใจมากเกินไปมันก็จะติดจ้องที่เท้าหรือจะรอดู การก้าวไปดักรออยู่แล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆไปเพ่งๆก็หน่อยเพื่อให้มันไม่ค่อยคิดเพื่อห้างความคิดอันนี้ถ้าเราเห็นนะเห็นมันย้อนความเห็นใจโอ้ใจมันเก่งแต่มันเพ่งใจไม่ปกติอันนี้คีอเราก็จะเห็นยมทํำอะไรก็แล้วแต่นะอย่างสมานจับไม้มันรู้ก็รู้สึกนะพอดีพอดีแต่ถ้าสมมติเคยมากบางคน เก่งนะคนภายนอกก็ดูรู้สึกว่าเก่งนะแต่ทำไมเขาไม่เห็นตัวเองว่าเกง่งหรือเกรงแล้วมันคายไม่ออกเช่นมาจับเนี่ยมันแน่นเงินไปนะแต่ถ้าใจเราไปอยู่กับความเกรงความกลัวเนี่ยมันก็จะไม่กล้าปล่อยอันนี้ข้างนอกนะมันดูง่ายแต่ข้างในที่มันเพ่งเนี่ยดูยากเราต้องดูเท่าทานันแะเ อ, อือ เมื่อไรมันเพ่งมันจ้องมันกลัวมันกดธมันโคงเนะีน่ยะฝึปล่ อ, ลอยออกมาฝึกให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นสิ่งพวกนี้นะมันไม่ใช่การคันฟังเอาเนะยี่ยแต่มาเองก็ฟังหลวงพ่อมาเยอะมากผนะ่านถือหลว่าเทียหนหลวงพ่อคำเขียนผ่ า, านพระไตรนะปิฎกนะฟังครูบาอาจารย์ื่นเนยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชอบถาม แต่เราก็อ่านเอาแล้วก็ลองทานะําเอาแต่กวรจะเข้าใจนะต้องใช้เวลาแต่ก่อนเราคิดว่าเราจะาจะรู้ให้มันเร็วนะยิ่งใส่หลวงพ่เพียนนะบางทีจะมีคำพูดบอกว่าวิธีแบบนี้นะเป็นทางลัดใช่ไหมพอเราคิดถึงทางลัดเนี่ยคือแบบใช้เวลานี่นานแต่จริงคําว่าทางลัดคือไม่ใช่ทางอ้อมนะ ไม่ใช่ละทางแบบแบบไม่ไม่ใช่เหมือนขึ้นดิแบบทั่วเดียวกค่เดียวถึงนะคำว่าทางรัดถือทางที่ไม่ไม่เสียเวลากับปับสีงม ง, งายกับทางที่มั น, นติดติดขัดอะไรมากเลยนะทางรัดถูกความพ้นทะุกข์องพระเจนท่านก็จะเดีนะแล้วโดยกเลงนะคนเราก็อยากจะอยากจะรู้อะไรเร็วๆนะ เพราะเราคิดว่าเราจะได้เก่งกว่าคนอื่นแต่มาเองมันเป็นนะน่แคือเราอยากจะรู้มากๆรู้เร็วๆเพราะที่จริงรื้อตึ้งคืออยากเก่งอยากดีออยากโชว์คือแรกๆปฏิบัติไม่รู้ตัวว่าเราปฏิบัติเพื่อรื้อตึ้จิตมันเป็นแบบนั้นแต่พอทําไปทริงแลพออยากจะได้มันกลับเป็นทุนะอืม ฉะนั้นปฏิบัติจริงๆเมื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นั่นนะเห็นมันเป็นทุกข์น่ถือว่าเริ่มดีแล้วดีอะไรคือแด็กตัวเองรู้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะคนอื่นทำแต่เพราะเราทำเอง <c oughs> อ่าไม่าทีแต่ก่อนเราไปโทษรนอด่นนะเขาเปิดเพลง รอบๆวัดเสียงดังเราไปโทษว่าหนวกหูนะรำคาญทำให้เรามีความทุกขึ้นแต่จริงนะเสียงเพลงมันก็อยู่ตรงนั้นแต่พอเราเองไปไปฟังไปไม่ชอบไปรำคาญเขาเองนั่นแหละมันได้เป็นทุกข์ใจหรือบางทีเราเดินจมกงก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกตัวนะอยากจะมระรู้ธรรม ยกมือตั้งใจังหวะ ก, ก็อยากจะบนรูท้ทรรมนะไม่ใช่ทําเพื่ออยากจะรู้ตัวนะอยากจะรู้อะไรสักอยาก่านงะเหมือนเด็กเรียนหนังสือนะไม่ได้สนใจความรู้ส่นใจอยากจะสอบให้มันผ่านใช่ไหมนะ mm hmm. อยากจะได้ที่หนึ่งนะแต่ถ้าไม่สนใจความรู้เนะี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นของฟรอมนะแต่นั่นที่จริงสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยสอนให้เรามีสติ มีสติก็มันจะค่อยๆเขียนเองว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกเป็นแบบไหนคิดเป็นแบบไหนหลวงพ่ออาจจะบอกได้แต่ตัวที่จะสอนเราเองจริงคือตัวสติสติจะสอนว่าถ้าทําผิดอ่ะมันก็ผิดหลายอย่างผิดแล้วมันเป็นทุกข์เช่นเพ่งบังคับอยากเนี่ยมันทุกข์นะหรือบางทีมันเพลินไป มันก็คือความโลงแต่หนึง่งแต่รู้สึกตัวพอดีพอดีนะมันเป็นแบบไหนนะที่จริงมันแค่แปบเดียวนะรู้สึกตัวที่มันถูกนะแป๊บหนึ่งทีเราแป๊บทีเราแป๊บนั้นสิงที่เราฝแบบึกคือฝึกแบบ ใ, ให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้นะอย่าไปคิดว่าจะต้องให้มันรู้ตลอดเวลานะ บางทีเราก็เข้าใจผิดนะบางทีหลวงพ่อเทียนท่านก็พูดว่าให้รู้สึกตัวเป็นลูกโซ่ให้มันต่อเนื่องนะอมันจะได้ไม่ขาดสายประมาณนัะมันก็ถูกในระดับที่หลวงพ่อเทียนท่านทําได้แต่สำหรับบางคนปฏิบัติใหม่แล้อยากจะได้แบบนั้นเลยอะมันผิดข้อมันอยากจะได้แบบนั้นสิ่งที่เราควรจะฝึกก็คือว่าฝึกให้มันความดลงมันตั้งลง ความคิดที่เคยยาวเป็นนาทีต่อนาทีทําไงถึงจะกลับออกมาได้เร็วขึ้นนะคิดตึดวิรู้ตัวกลับมาแบบนะี้หรือยกมือแต่ก่อนไม่ค่อยรู้ตัวอต่อไปดืมดืมตัวท่าสองท่าก็กลับรู้สึกตัวได้แล้วแบบนะี้ยเดินก็เหมือนกันแต่ก่อนเดินไปคิดไปก็ฝึกกลับมาเดินแล้วรู้ตัวได้บ่อยขึ้นแบบนะเนี่ยคือต้อฝึกแบบนี้นะ มแม่ๆคือฝึกให้มันเกิดความรู้สึกตัวให้บ่อยๆไม่ใช่ว่าฝึกให้มันไม่หลงเลยนะฝึกให้มันรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยทํานี้ได้ต้องนะถ้าใครทําได้มาว่าเท่าที่ดูนะฝึกวันแรกทุกคนก็เคยทําได้ก่อืนแม้แต่ฝึกเป็นเดือนก็ทําไม่ได้นะอืงทีแต่เราเองนะเราก็อยากจะได้อยากจะได้อยากจะเก่ง ก, กับเพื่อนๆรับ แต่จริงมันทําไม่ได้หรอกนะแต่ฝึกให้มันรู้สึกตัวเป็นะอยเนะท่าที่ทําไดนะ้ถ้าทําแบบนีน้มันจะสนุกมันจะไม่เครียดมากเนาะฝึกแบบนี้นะนี่แหละมาว่าสิ่งที่มันเปิดมิติใหม่ของการปฏิบัติธรรมคือจากแต่ก่อนเราคิดว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิต ม, ม, มันสงบเมื่อจิตมันสงบแล้วมันจะปิ๊งปัญญา อะไรสักอย่างมันจะทำให้เราปล่อยวางมันจะทำให้เราเป็นโสดตามบันเป็นภ้าลาหันอะไรก็ได้แต่นะเราคิดว่ามันสงบมากๆเนะี่ยเหมือนคล้ยค้ายความจิตทีว่างแล้วจะมีปัญญาเข้ามาสิงแพรมาแนละแต่ก่อนคิดอย่างนั้นนะแต่คิดไม่เยอ ไม่คิดแต่แต่ก็เคยทำาช่ไเคยพยายามทำไม่บ่างๆนิ่งๆนะแต่ลึกๆมันดุนนะเมื่อไรจะเมื่อไรจะรนะนะนะูแต่ก็แต่จริงมีสติทุกครั้งสิ่งที่จะได้ทันทีนะไม่ต้องรอมีสติทุกครั้งเมื่อนั้นจิตก็กลับมาเป็นปกติเมืนะ่อเมื่อนั้นจิตก็ไม่ทุกแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก แต่ก่อนเราคิดว่าชีวิตเราก็หวังจะมีความสุขการมีความสุขก็คือทําให้มันไม่ทุกข์เนาะเดีน่ะทําทุกอย่างเตื้อหวังให้ค่ อ, คอยๆได้ทีละอย่างจะมีความสุขจนท่านึงไม่ทุกข์เลยนะแต่วิธีเชตุนสตินะคลิกมือปุ๊บรู้สึกตัวปั๊บไม่ทุกข์เลยมันมันรัดอยู่ตรงนี้นะคือไม่ต้องรอว่าเราต้องมีสัตว์โสมอะไรไปจนทั้ง มันไม่เป็นอะไรได้อะไรแล้วถึงจะไม่ทุกข์แต่การฝึกมีสติเหมือนคลิกปุ๊บไม่ทุกข์ปั๊บโกรธปุ๊บน่ะไม่โกรธปั๊บนะเ น, ะนะี่นะเออพอพลิกมือแล้วรู้สึกตัวมันเปลี่ยนทันทีอันนี้มันคือเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้ทันทีนะแล้วก็มันไม่ต้องรอนะแต่ถึงว่าถ้าเราสยันเราก็จะเราก็จะเปลี่ยนพวกนี้นได้บ่อยนะ ก็จะสัมผัสกับความไม่ทุกข์ได้ไบ่อยซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอหลวงพ่อมารับรองเราไม่ต้องรอครูบาอาจารย์รับรองเราเราสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองว่าเราทำได้มากทำได้น้อยขนาดไหนแบบนี้นะในแต่ละวันนะอันนี้คือมาว่าคือมิติใหม่ของการปฏิบัติธรรมซึ่งตอนหลังก็พบว่า ครูบาอาจารย์จริงหลายๆรูปนะสอนแบบนี้แหละแต่พอเราคิดเองว่าปฏิบัติให้มันมีสมาธิให้มันสงบาาที่ครูบาอาจารย์บางรูปท่านท่านสอนจริงท่านก็พูดเรื่องนี้อยู่แต่เราไปจับแต่ไอ้เรื่องสงบไปคิดแต่ว่ามันต้องทําสงบก่อนมันถึงจะเกิดปัญญาแต่จริงครูบาอาจารย์ท่านก็จะพูดมาถึงตัวสติะให้มีสติมันจะเกิดปัญญาเท่น า, น, ญญาทนั้นแหละ แต่ก่อนเราฟังไม่เป็นแล้วก็ไปจักไม่ถูกแนตะ่ ถ, ถ้าเราฟังเป็นแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกนะก็จะเห็นว่าวิธีการต่างๆางนันก็มุ่งเน้นมาสูต่ตรงนี้เหมือนกันนะเนาะก็ให้พวกเราได้ได้ลองมาศึกษานะมาปฏิบัติกันเนาะนะก็จะได้เกิดความเกิดความรู้ความเข้าใจเนะี่ยเรื่องตัวของเราเองนะแล้วก็อาศัย อุบาจานะเป็นกนันามิตรอย่างมาเอกก็รู้สึกว่าตลวงพ่อเขาเขียนเองท่านก็แม้ํำขาญท่านจะลกไปนะท่านก็ละไปเมื่อยี่สิบสามสิงหาสี่สิ้าห้าเจดนั่นะนะสามปีนะคือคือครบรอบวันที่ท่านนัดต่าคัญไปไม่นานของคำวันที่เอกที่วันปานสมุทรตอนก็จัดงานบูชาคุณท่านที่นั่งอยู่แต่ ก็รู้สึกว่าท่านก็ยังยังอยู่กับเราทนะ่านไม่ได้จากไปที่ไหนหรอกนะคำสอนยังอยู่พิธีการปฏิบททัติธรรมก็ยังใช้ได้อยู่นะถ้าเราปฏิบททัติธรรมเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเหมือนครูบาอาจารย์อยู่กับเราจริงๆนะ จ, นนะจะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะไม่รู้สึกปฏิบททัติธรรมแล้วจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้สึกเหงา ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรนะเวลาที่เรามีสติมันจะรู้สึกแบบนั้นแต่บางทีถ้าขาดสตินะจะเงาขาดอยากได้อะไรมามาเติมเต็มสิ่งที่มันขาดสิ่งที้มันหายแต่ถ้าเรามีสติเมื่อไรมันจะรู้สึกเต็มรู้สึกไม่ต้องการอะไรนะรู้สึกพอขึ้น ม, มาทันทีเลยจะรู้สึกเลยว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้จากไปไหนนะเราก็ยังอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่แต่ท่านก็ยังเป็น กายในนิคเราอยู่นะแล้วก็น้องเอาทำที่ท่านสอนนั่นแหละ ต, ต่อพึ้นปฏิบัติทำตอนนะ่อเนาะท็ฝากไว้นะ